อุทระสังยะตะปัญหาที่สองเนี่ยนะพระเจ้ามิลินกราบเรียนถามพระนาคเซนว่าพระคุณเจ้านาคเษนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็์ความข้อนี้ไว้ว่าอุตติเทสนัปปัมมัชยะอุทเร ส, เสังยะโตสยาแปลว่าไม่ควรประมาทในบินทบาทที่เพียรหามาได้ควรเป็นผู้สำรวมในท้องเนี่ยนะ อันนี้ที่หนึ่งใช่ไหมไม่อย่าประมาทในอาหารที่บินธบาทมานะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องท้องให้ดีนี่อีกที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อีกว่าอาหังโขปนุทายิอัปเปทกาอิมินาปเตนะสมติติกรมปิพุณชามิพิโยปิพุณชามินี่เน่ ท่านอุทายีหรือวันดูก่อนอุทายีบางคราวเราฉันบิณฑบาตเสมอขอบปากบาตดังนี้บ้างบางคราวก็ฉันยิ่งกว่านี้บ้างก็แปลว่าฉันหมดบาทแล้วก็ให้เขาเติมอีกเหมือนันเนอะบางครั้งก็ฉันทั้งบาทเลยบางครั้งก็คทำว่าฉันทั้งบาทก็ว่าฉันจนหมดเนอาหารในบาตรนะแล้วก็เขาเอามาเติมอีกแล้ฉันหมดบาทรมลยแปลว่าบาทไม่เหลือเลยนะแปลว่าฉันทานอาหารหมดจานเลยง่ยมันแปลว่าไม่ได้ทานจานไปด้วยอะไรหรอกนะ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพระคุณเจ้านาเกษตรถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่ควรประมาทในบินทบาทที่เพียรหามาได้ควรเป็นผู้สำรวมในท้องดังนี้จริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่พระองค์บอกว่าแน่อุทายีบางคราวเราฉันบินทบาทเสมอขอบปากบาทนี้บ้างบางครา ว, วาฉันยิ่งกว่าบ้างดังนี้ก็ไม่น่าถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องบอกว่าให้สำรวมทอ้องอนนี้บอกฉันหมดบาดเลยว่ากัน ถ้าหากพระตถ า, าคตตรัสว่านี่เนี่ยท่านอุทายีบางคราวเราฉันบินทบาทเสมอขอบปากบาดดังนี้บ้างบางคราวก็ฉันยิ่งกว่านั้นอีกบ้างดังนี้จริงถ้าอย่างนั้นคําที่พระองค์ตรัสไว้ว่าไม่ควรประมาทในบินทบาทที่เพียรหามาได้ควรเป็นผู้สํารวมในท้องดังนี้ก็ไม่ถูกต้องปัญหาแม้ข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดนะ ก็เอให้สัมรวมท้องอีกที่หนึงก็บอกว่าฉันเป็นบาดเลยว่างั้นยังไงกันน่ธนนาเกษตก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิธพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าไม่ควรประมาทในบินธบาต ท, ที่เพียรหามาได้ควรเป็นผู้สัมรวมในท้องดังนี้อ่จริงและยังตรัสไว้อีกว่านี่เนี่ยท่านอุทายีบางคราวเราฉันบินธบาตเสมอขอปากบาดนี้บ้างบางคราวก็ฉันยิ่งกว่าบ้างดังนี้อ่ะจริง ขอถวายพระพรคำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าคาถาแรกก่อนนะประโยคแรกที่บอกว่าไม่ควรประมาทในบินทบาส ท, ที่เพียรหามาได้ควรเป็นผู้สำรวมท้องอันนี้ซึ่งถ้าตรงกลาง ก, ก็คือโพเชเนมัตันยุตานั่นเองนะคือพระองค์สอนให้มีโพเชเนยุตมัตันยุตา มันคำนั้นเป็นคำที่ตรัสไปตามสภาวะตรัสไปตามข้อปฏิบัติเหมืนั้นเป็นคำพูดที่หาส่วนเหลือไม่ได้เป็นคำพูดที่ไม่มีส่วนเหลือเป็นคำพูดโดยปริยายแปลว่าคำพูดตรงๆเป็นคำจริงเป็นคำแท้เป็นคำที่กล่าวไปตามความเป็นจริงเป็นคำพูดที่ไม่วิปริตเป็นคำพูดของท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่เป็นคำพูดของท่านผู้เป็นมุนีมีโมเนยธรรมเป็นพระนํารัของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นคำของพระอาหารหันต์ผู้ทากิจอริยศัสตร์เสร็จแล้วเป็นคำของพระประเจกพพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้สัจจะโดยลำพังเป็นคำตรัสของพระชินเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ชนะมานห้าเป็นคำตรัสของพระสัพพัญยูเป็นพระดำรัน ของพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทุกประองสอนให้มีโภชเนมตันยุตารู้จักประมาณในการสแสวงหาอาหารรู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยนะแล้วก็มีการปัจเจกในปัจจัยสี่ซึ่งอาหารเนี่ยนะมันก็ที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เวียนไหวตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้เนี่ยเพราะอาัยอาวอนเยื่อใยใน อาหารเพราะว่าเราปกติต้องเติมท่าสี่ตลอดนะอาหารก็คือท่าสี่ใช่ไหมมันติดในท่าสี่จนหนึ่งขนาดว่าเลยเวลาอาหารนิดเดียวดูดินะเลยเวลาอาหารนิดเดียวนะเวลาเดินทางนี่สังเกตเห็นเลยนะสิ่งที่แหมมันดูเรื่องใหญ่เรื่องโตที่สุดในโลกเลยก็คือเรื่องอาหารเรื่องหลับเรื่องนอนค่อยว่าอีกทีนะเรื่องอาหารมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารเป็นอันดับหนึ่งมาเวลาเดินทางนี่สังเกตเดี๋ยวก็อาหารเดี๋ยวก็อาหารอุ้ยอะไรอาหารมังเยะขนาดนี้ คือคือมันประกาศถึงว่าติดธาตุดินมากมานยนอาหารก็คือลักษณะของการเกลือนธาตุนั่นะนะเรียกว่าบริโภคมหาผู้อย่างเรียกว่ารวบรัดและเบ็ดเสร็จเนี่ยนะนก็เลยพระองค์ก็เลยบอกว่าเพราะนั้นควรเป็นผู้สำรวงท้องก็แปลว่าอย่าประมาทในอาหารให้มีโพชเนมตันยุตารู้จักประมาณเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการแสวงาหาอาหารเนี่ยนะ มันเป็นเหตุอย่างอื่นมากมายเฉพาะปากเฉพาะท้องเนี่ยนะเพื่อปากเพื่อท้องอย่างมาดูที่พระนาเกษ็ต่อไปอีกว่าขอถวายพระพรบุคคลผู้ไม่สำรวมในท้องย่อมฆ่าสัตว์บ้างหลายคนเนี่ยเราสอนให้เขารักษาศีลบอกเขาทําไม่ได้ถ้าเขารักษาศีนลนะเขาจะกินอะไรเพราะนั้นเพราะเขาไม่มีกินไม่ว่าแล้วครอบครัวของเขาจะอยู่กันอย่างไรมันสําคัญมากเลยนะบอกแม่เรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยมเพราะ เพราะไม่สำมรวมท้องเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องนั่นแหละย่อมฆ่าสัตว์บ้างย่อมถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้บ้างย่อมคบหาภรยาของผู้อื่นบ้างย่อมกล่าวคำเทศบ้างย่อมดื่มน้ำมาว่างย่อมฆ่าปลงชีวิตมารดาบ้างฆ่าแม่เนี่ยนะกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ก็เพราะอาหารกล่องเดียวแล้นั่นนะนะปลงชีวิตบิดาบ้างปลงชีวิตพระอาหารหันต์บ้าง ยุยงสงให้แตกกันบ้างเ ป, เป็นผู้มีจิตคิดประทุษร้ายทำพระโลหิตของพระตถาคตให้ห้อขึ้นบ้างขอถวายพระพรพระเทวทัตเป็นผู้ไม่สำรวมท้องไม่ใช่หรือจึงยุยงสงให้แตกแยกกันพยายามทำกรรมที่มีผลตั้งอยู่ตลอดกับคือสังกเพศเรียกว่าบาปรกรรมอ น, นันให้ผลตั้งอยู่ตลอดกับคำวากับในที่นี้หมายถึงว่าอันตรกับเนี่ยท่าน หมกไหมยอยู่ในรกหนึ่งอันตรกับเศษหนึ่งส่วนแปดสิบมหากับเนี่ยนะหมายความว่าเอามหากับมาหาแปดสิบใช่ไหมดำรงอยู่ในนรกหนึ่งในหนึ่งในแปดสิบส่วนเนี่ยนะซึ่งโอ้หลายพันล้านปีเนี่ยนะขนาดนั้นก็หลายพันล้านปีและ ว, วันนี้ข่าออกมาก็เห็นไก่เสียบหลาเนี่ยนะหมุนไปหมุนมาแล้วก็นึกถึงพระเทวทัตได้เออถูกเสียบอย่างนี้นะน่เลยขอถวายพระพรมหาบพิตร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นเหตุการณ์ล้าอย่างเห็นตาลชนีแล้วก็เห็นเหตุอย่างอื่นๆ อ, อีกนะจึงตรา่าวไว้ว่าไม่ควรประมาทในบินธบาต ท, ที่เพียรหามาได้ควรเป็นผู้สํารวมทองดังนี้สมัยเดราชานทั้งหลายนี่ก็เพราะติดในอาหารนั่นแหละติดจนบางทีบางสัตว์บางเหล่านี้มันกินกินถ่ายกินถ่ายกินถ่ายกินถ่ายนั่นนะเรียกว่าทวารปากก็กินไปทวารก้นก็ถ่ายไปกินถ่ายกินถ่ายอยู่อย่างนั้นแหละ นะถ้าสังเกตดูใครที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เดรัจฉานเยอะๆเนี่ยนะมันเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยเรื่องกินเนี่ยนะมันให้ความสําคัญกับเรื่องกินเป็นพิเศษอย่างเช่นพวกสัตว์ที่เกิดในน้ําล้วก็แสวงหาอาหารอย่างปลาเนี่ยนะโอ้ยมันกินนะใครไปเลี้ยงอาหารปลาบ่อยๆจะเห็นเลยมันแม่มันติดในเรื่องอาหารเนี่ยสุนัขเนี่ยให้อาหารมันเนี่ยมันกัดกันเป็นต้นสรุปว่าหมู่สัตว์นี่ติดในอาหารไอความที่ติดในอาหารนั่นแหละมาก จนไม่สามารถประพฤติกุศลกรรมมาบททั้งหลายไม่สามารถที่จะประพฤติสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายเพราะเห็นแก่อาหารเนี่ยถ้าเจออาหารเมื่ออร่อยในศีลนี้อธิศีล น, นี้อธิจิตนี้อธิปัญญาอาหารที่เราชอบที่สุดและกาลังหิวด้วยนะนี้สมถะนี้วิปัสสนาหนี้อาหารเรปฏิกูลสัญญาอย่างนั้นเลยใช่ไหมโอ้ยรอยมือคิดได้ครั้งเดียวนี่ก็ถือว่ามีบุญมากแล้วนะเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นส่วนในอนธถกถาอธิบายเพิ่มเติมว่าบุคคลผู้ไม่สัมรวมในท้องย่อมฆ่าสัตว์บ้างก็คือเป็นคำกล่าวถึงเป็นปัจจัยการตามลำดับจับแต่ว่าถ้าไม่สัมรวมท้องก็คือเช่นว่าเพราะไม่มีความสัมรวมท้องย่อมบริโภคอาหารตราบเท่าที่ต้องการเสียจนเต็มท้องเมื่อบริโภคเท่าที่ต้องการเสียจนเต็มท้องก็ย่อมเกิดความ มืนซึมโ ง, งกง่วงอึดอัดทีนาะมิธาเป็นต้นก็แทกแล้วเมื่อเกิดความมึนซึมโ ง, งกง่วงอึดอัดก็ปรากฏปรารถนาะแต่ความสุขในการนอนการหลับเนี่ยนะโอ้เอกเนกมีความสุขแท้เหมือนกันพราะก็มีความสุขในการเอนมีความสุขในการหลับถูกความเกียรคร้านครอบงาําไม่ปรารบความเพยยยียรในอธิกุศลคืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาไม่ขวนขวายประกอบในสมถาวิปัสนาที่จะนําออกจากทุกข เพราะไม่ปรารบความเพียรในอธิกุศลคือไตรสิกขาจิตใจไม่ได้รับการอบรมคำว่าอบรมจิตใจนี่แปลว่าให้ใจเนี่ยไหลไปกับศีลบ้างให้ใจไหลไปกับสมถะให้ใจเนี่ยไหลไปกับสวิปัสนาหรือให้โคจรไปในสมถะและวิปัสนาการที่สมถะวิปัสนาเกิดในใจนั่นแหละเรียกว่าการอบรมใจเรียกว่าเป็นการฝึกใจที่คดให้มันตรงขึ้น เป็นการฝึกฝนพัฒนาหรือที่เรียกเราเราเรียกว่าภาวนาคำว่าภาวนาก็คือให้ใจเนี่ยไหลไปกับสมถะให้ใจเนี่ยมันไหลไปกับวิปัสนาให้ใจไหลไปกับศีลสมาธิและปัญญาให้ใจไหลไปกับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิให้ใจไหลไปกับสัมมาสติคือกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาเมื่อใจไหลไปกับศี สมถะและวิปั ส, สนาอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าการอบรมใจเพราะคุณธรรมเหล่านั้นเป็นเครื่องอบเป็นเครื่องรมะนะทให้ใจเนี่ยเบาทาให้ใจนี่อ่อนควรแก่การงานน้อมไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจแต่ถ้าหากว่ามัวแต่โ ง, ง่ง่วงเป็นต้นก็ไม่เอาละเพราะฉะนั้นเมื่อไม่อบรมจิตจิตก็ไปไหนมิจฉาทิฏฐิก็เกิดขึ้นพล่านไปด้วยมิจฉาสังกัปปะ เนี่ยนะความดำริชั่วทั้งหลายมีกามมวิตกเป็นต้นก็ตามมาจิตใจก็คิดชั่วถูกความคิดชั่วครอบงําเนี่ยน ะ, ะกามวิตกเกิดขึ้นพยาบาทวิตกเกิดขึ้นวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นพระมีเรื่องหนึง่งพระพิสูรรวบหนึง่งบทขึ้นมาบทขึ้นมาท่างกระชั้นอาหารเสร็จแล้วก็โครงการในใจของท่านสร้างแต่เล้าหมูนะเดี๋ยวศึกไปน่าจะไปสร้างเล้าหมูโอยออกแบบฟางแบบฟางแบบางปนใหญ่โตเลยนะ แพรว่าศึกไปก็รู้ได้เลี้ยงหมูวังหรือเปล่าไม่ทราบ น, นะแต่ก็ศึกไปแล้วละ่ะเป็นอย่างนั้นเพราะมันก็มีแต่การมวิตกเนะนะมีแต่พยาบาทวิตกมีแต่วิหิงสาวิตกนะว่าไปว่ามาตําหนรัฐบาลมั่งว่าโทษโน่นโทษนี่มั่งอะไรไปนเนี่ยคือมันก็เป็นอย่างนี้เลยว่าผู้ที่มีอกุศลวิตกทั้งหลายเนี่ยนะก็จะมิตรชาวาจาตามมาเมื่อมิตรชาวาจามาแล้วมิตรชากรรมมันตะก็ตามมาเนี่ยนะก็ เพราะไม่อบรมตัวเองด้วยสมถะอธิศีนทิจิตอธิปัญญาไม่อบรมด้วยวิปัสนาทั้งหลายเป็นตน้นเมื่อไม่อบรมอากุศลวิตกก็เล่นงานย่ำยีเอาเมื่ออากุศลวิตกครอบงำเท่าใดมิ ช, ชาวาจาก็ตามมาเมื่อมีวิ ช, ชาวาจามิ ช, ชากมันตะการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดคำยาพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียดเดิมน้าเมาคือสุราและ เมรัยได้ง่ายในที่สุดก็ทูศีลเนี่ยนะความชั่วช้าเลวร้ายทั้งหลายก็ประดังเข้ามากลายเป็นผู้ที่คดกว่างั้นกลายเป็นคดยิ่งกว่าไม้คดอีกกว่ามันคดเป็นตะปุ่มตะป่ํามันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะถ้าใจสมมติว่าถ้าอกุศลหนึ่งทีแล้วมันงอหนึ่งครั้งเนี่ยนะมันู้ใจมันทรงไหนก็ไม่ทราบนะนะมันจะงอมันจะงอมันจะเงี้ยวอย่างหิกงอขนาดไหนก็ไม่ทราบยิ่งกว่าพันไม้ที่มันหิกงอซะอีกเหมืงนกัน ที่ว่าไปอย่างนั้นทั้งหมดก็เกิดจากการไม่สำรวมท้องทางนั้นแหละขอถวายพระพรส่วนบุคคลผู้สำรวมในท้องสำรวมท้องคือมีโภเชเนมตันยูตาพระองค์นี้ผู้ที่สำรวมท้องอย่างนี้เนี่นะเช่นมีการสแสวงหาโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมบริโภคอบริโภคด้วยปัจเจกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะอาศัยการปัจเจกนั่นแหละเป็น จะปัจเวกโดยศีลก็คือว่าเราบริโภคไม่ใช่เพื่อเล่นหรือปรจเวกโดยสมถะคืออาหารเรปฏิกูลสัญญาปัจเวกโดยวิปัสสนาก็เพราะว่ากายนี้เกิดเพราะอาหารเกิดถ้าอาหารดับกายก็ดับเป็นต้นถ้ามีการไค้ครัรวอย่างดีทั้งโดยอธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญาอย่างนั้นก็สา ม, มารถที่จะตรัสรู้สัจจะพิจารณาเหตุเกิดของกายกายเกิดเพราะอาหารเกิดกายดับเพราะ อาหารดับกายก็คือรูปรูปก็คือกายพันนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นของรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูปรูปจะเกิดก็เกิดโดยอาการเท่าไรเด็ดโดยอาการหอวิชาเกิดรูปจึงเกิดตัณหาเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิดอาหารเกิดรูปจึงเกิดรูปก็มีนิพพติคือชาติมีความเกิดเป็นสภาวะเนี่ยรูปเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นสภาวะแต่ถ้าแทงตลอดว่ารูป ความดับแผงรูปเนี่ยนะทำที่สลัดคืนรูปทำที่สละรูปก็เรียกว่ารูปนิโรธเนี่ยนะนะธาตุแทงตลอดรูปนิโรธอวิชาก็ดับถ้าวิชาดับรูปก็ดับถ้าตัณหาดับรูปก็ดับถ้ากรรมดับรูปก็ดับคืออนิพานเนี่ยนะมันเป็นธรรมชนิดพิเศษที่เรียกว่าเจตนามีนิพานเป็นอารมณ์และไม่นำปฏิสนธิ น, นะนะกรรมทั้งหลายถ้ามีนิพานเป็นอารมณ์และไม่นำเกิดเมื่อสัมผัสกับพระนิพานแล้ว อวิชาตัญหาเป็นต้นเนี่ยไม่ทํากิจอ น, นะหมดสภาพเลยว่างั้นเถอะพันนิพานนั้นจึงเป็นธรรมที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สางแห่งความเมาหรือว่าเป็นที่สํำรอกแห่งอวิชาเป็นที่สํารอกแห่งตัญหาเป็นที่สํารอกแห่งบาปอกุศุลธรรมทุกชนิดพันผู้ที่สํารวมในท้องก็คือเป็นผู้มีศีลอยู่ด้วยโพชเนมัตันยุตาประพฤติปฏิบัติในสมถะและวิปัสสนาก็สามารถที่จะตรัสรู้อริยสัจ ท, ทั้งสีได้ ย่อมกระทําสามัญญผลสีให้แจ้งได้เพราะแทงตลอดสัจจะครั้งแรกได้โสดาปฏิผลทํากิจในอริยสัจครั้งที่สองก็ได้สกัดาคามีผลถ้าทํากิจในอริยสัจคร well ั้งที่3ได้ก็ได้อนาคามีผลถ้าทํากิจในอริยสัจครั้งที่สีได้ก็ได้อรหัตตผลทํากิจในโซดาปฏิมร์เนี่ยก็เรียกว่าทํากิจในสัจจะสี่ถ้าทํากิจในมร์สีได้สําเร็จก็ทำทำกิจสีในสัจจะสี่ มันก็ทุกสมุทัยนิโรธมรคทให้มรคที่1ก็เท่ากับทํากิจ4และสะกะทาคามีมรค ก, ก็อีก4ี่สะกะทาคามิมรคสอนาคามีมรคสี 4, อรหัตมรคสี่สี่คูณ4ี่ก็เท่ากับ16เนี่ยนะถ้าแทงตลอดสัจจะสี่ครั้งแรกก็ได้สามัญญผลที่1ถ้าแทงตลอดสัจจะ4ครั้งที่2ก็ได้สามัญญผลที่สอง น, นะที่สามที่สี่ก็ในยะเดียวกัน ผู้ที่มีความรอบรู้ในสัจจะสี่รอบรู้ในสามัญญผลสี่ก็บรรุวัสีภาวะในปฏิสัมพิธาเพราะเป็นผู้แตกฉานในอัฏฐะตรมมนิรุติและปฏิพานเพราะแตกฉานในอัฏฐะก็คือแตกฉานในชารามรณะถ้าแตกฉานในธรรมะก็คือแตกฉานในชาติ ถ้าแตกฉานในอัตถาก็คือแตกฉานในชรามรณะนิโรธถ้าแตกฉานในธรรมะก็คือแตกฉานในชรามรณะนิโรทคามินีปฏิปทาสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยได้ก็เป็นนิรุตติปฏิสัมพิธาไม่มีความติดขัดในสิ่งเหล่านี้ทั้งมวลเนี่ยนะค ล, คล่องแคล่วเป็นต้น เพราะมีความรอบรู้ในสิ่งในสามสิ่งได้เป็นอย่างดีที่กล่าวไปแล้วก็เป็นปฏิภาณนปฏิสัมพิทามันถ้ารอบรู้ปฏิสัมพิทาในสัตว์จะทั้งสี่นะทุกแง่มุมได้ก็เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ะนะที่จะเข้าสมาบัตแปบปฐมฌานเป็นต้นก็ไม่ใช่ปัญหาอภินยาหกก็ได้โดยง่ายสมณะธรรมทั้งหลายก็สมณะธรรมคือ ไตรสิกขาทั้งหลายนะธรรมของส ม, มณะธรรมที่สร้างความเป็นส ม, มณะคือไตรสิกขาก็สามารถประพฤติปฏิบัติให้เต็มเปี่ยมได้ต้นเหตุมาจากสัมรวมท้องร้ายคนบวชไม่ได้เพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องโอ้ยเลยถ้ายอนเย็นหิวจะทำยังไงบวชไม่ได้หรอกเหมือนันนะเพราะอะไรอย่างที่อัศกถาบอกว่าส่วนผู้มีความประพฤติเป็นไตรกับการสัมรวมท้องเป็นเหตุให้ตรัสรู้ทำได้นั้นบัณฑิตเพิ่งเห็นโดยตรงกันข้าม อธิบายว่าแม้ชีวิตก็มีความเยื่อใยเสน่หาน้อยนักเห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีสาระเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาสารกโตไม่มีสาระไม่น่าปรารถนาจนถึงกับต้องคอยปรนเปรยบริโภคอาหารตามความปรารถนาแต่ทว่าบริโภคก็เพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ต่อไปเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นฉะนะจะเกิดเยื่อใยในเสนหาวัตถุภายนอกเสียมากมายจนกระทั่งยอมประพฤติทุศีลทั้งหลายเราก็ไม่เห็นว่าจะต้องไปทุศีนต้องเหตุแห่งอะไรกายนี้ปกติก็ไม่ได้เยื่อใยในมันอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ได้ต้องการจะปรนเปลืออะไรกายนี้ไม่รู้จะต้องไปทำบาปเพื่ออะไรบ่างเพราะฉะนั้นตนก็จะตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีเศน เพราะศีลเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปศีลเนี่ยเป็นบาทเป็นที่ประดิษฐานแห่งสมถาวิปัสนาันผู้มีศีลก็สามารถที่จะตรัสรู้คุณธรรมทั้งหลายเพราะคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นที่ตั้งอาศัยขอถวายพระพรนกแขกเต้าเป็นผู้สารวมในท้องไม่ใช่หรือ นกแขกเต้าเพราะสำรวมในท้องนี่แหละจึงทำโลกกระทานให้หวันไวไปตลอดตนถึงภพของดาววดึงได้ทำให้เท้าส ก, กะจอมเทพต้องเสด็จมาทำนุบำรุงขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเหตุการณ์หลายอย่างเห็นเหตุการณ์หลายอย่างเห็นป่านชนีทั้งอย่างอื่นๆด้วยพระองค์จึงได้ตรัสไปว่าไม่ควรประมาทในบินธบาติที่เพียรหามาได้ควรเป็นผู้สำรวมในท้องดังนี้ ขอถวายพระพรส่วนคำที่พระองค์ตรัสไว้ว่านี่แนะ่อุทายีตอนต้นนี่แก้ปัญหาข้อแรกจะไม่ยว่าควรเป็นผู้สำรวมท้องเนี่ยนะไม่ควรประมาทในบินธบาต ท, ที่เพียรหาไม่ได้ควรเป็นผู้สำรวมท้องก็แก้เสร็จอีกแก้อันหนึ่งก็บอกว่าอุทายีบางคราวเราฉันอาหารเสมอขอบปากบาดบ้างบางคราวก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะอันนี้คานี้เป็นคาของพระตถาคตผู้ทากิจ ในอริยมรรคสี่ในอริยสัจสี่เสร็จสิ้นแล้วผู้ทากิจ น, นะคือในการบําเพญ็ญศึกษาสามที่ควรทําทําเสร็จแล้วผู้สำเร็จประโยชน์ตนคืออรหัตผลแล้วผู้อยู่จบมรรคพรหมจรร์เสร็จแล้วเนี่ยนะหาธรรมะอื่นเครื่องกลางกั้นไม่ได้ น, นะไม่มีอะไรที่จะมากางกางั้นปราศจากนิวรปราศจากบาปอากุศลทุกโทษพิษภัยหมดสิ้นเชิง เป็นคําของผู้เป็นสัพพันยูคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สัพพันย์สยัมพูเรียกว่าผู้รู้เองเนี่ยนะตัดเอาไม้เอาพระองค์เองเท่านั้นที่ว่าฉันมากมายนั่นนะ่ะพระองค์ฉันเองขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าสําหรับผู้ที่เป็นโรคเอาแต่อาเจียนเอาแต่ถ่ายเป็นไข้อยู่ก็จําต้องปรารถนายูกยาเอายุกยาเหล่านั้นมาทําให้สบายหายจากโรคฉันใด ขอถวายพระพรสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสยังไม่เห็นสัจธรรมยังไม่เห็นอริยสัจยังไม่เจริญไตรสิกขาเต็มบริบูรณ์ก็ย่อมต้องทําความสำรวมในท้องเพื่อให้สบายหายจากโรคคือความเศร้าหมองคือกิเลสเพราะถ้าเห็นแก่ปากแก่ท้องมันไปไหนไม่ได้นะมันห่วงเรื่องอาหารนั่นแหละโอ้ยไปโน่นไปไหมบอกไปไม่ได้เพราะว่าทานอาหารที่นั่นไม่ได้อย่างงี้นะมีอยู่เรื่องหนึ่ง อโอ้ยพระพระพิสุกมหนึ่งะนะมาอยู่ที่นี่แล้วทานอาหารของท้องกิ่นไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องหาอาหารยั ง, งนั้นยังนั้นไปให้ท่านนโยมเขากา็ได้ยินประโยคนี้บ่อยเข้าได้ยินเกินสิบครั้งเขาก็รำคาญบอกว่าอ้าวปฏิเาพาะไม่ได้แล้วมาทำไมฉันไม่ได้แลยมาอยู่ทำไมเพราะงั้นก็จริงนะฉันไม่ได้แล้วอยู่ทำไมไง เพราะฉะนั้นขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าสำหรับแก้วมณีอันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้ า, านะว่าแก้วมณีที่มีแสงรุ่งเรืองเป็นแก้วมณีที่มีค่าบริสุทธิ์เป็นอภิชาติอยู่แล้วก็หามีอันต้องทำกิจในการเจรไนขัดสีเจรไนให้บริสุทธิ์ไม่คือของดีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้อง เข้าเข้าเจรนายอะไรไม่ต้องเข้าไปตกแต่งอะไรขอถวายพระพรสำหรับตถาคตผู้บรรลุพระบารมีในพุทธวิสัยวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหาทรงมีอันต้องคอยสํารวมระวังในการทำกิจที่ควรทำทั้งหลายไม่ฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้น ก, กิจเรื่องการสังวนสํารวมระวังอะไรนะั้นเป็นกิจของคนที่ยังไม่แทงตลอดอริยสั์เหมือนกับว่า ยังต้องเจรนายอยู่แต่สําหรับพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์แล้วนี่นะบริสุทธิ์แล้วมันไม่ใช่ว่าเอาพระพุทธเจ้าไปมาตรฐานกับสําหรับคนเหล่าอื่นเพราะว่าคนเหล่าอื่นบอกว่าพระพุทธเจ้าเอาแล้วท่านได้ทําเหตุมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าไหมไม่ใช่ไปเอาแต่ผลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทําเหตุมาเหมือนกันส่วนคําอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยที่บอกว่าพระองค์เนี่ยนะบบางคราว ฉันอาหารบินทบาสเสมอขอบปากบาดเป็นต้นเนี่ยมิได้ตรัสพระดำรัสเพื่อประโยชน์แก่การเป็นปัจจัยแห่งการตรัสรู้ของบุคคลที่ยังไม่ตรัสรู้พระองค์ตรัสตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะตรัสแก้ปัญหาที่เขาบอกว่าสาวกนับถือพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้สันโดษในอาหาร เขาก็เลยนับถือพระพุทธเจ้าสาวกพักดีต่อพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์สันโดดในอาหารพระองค์ก็บอกไม่หรอกพระองค์ไม่ได้อย่างพระถ้าหากว่าสาวกเรานะเลื่อมใสเราเพราะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเราเนี่ยฉันมากกับสาวกสาววกบางองค์ฉันนิดเดียว ถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าสาวกเราสาวกของเราเนี่ยนะนับถือเราเพราะเหตุแห่งอาหารสาวกเขาจะไม่นับถือเราหรอกเพราะเราฉันมากเช่นฉันบางครั้งก็ฉันเสมอคอปากปากบางครั้งก็ฉันเกินแต่สาวกบางทีฉันนิดเดียวเนี่ยนะแล้วก็อยู่ในป่าอยู่ในโคนไม้อยู่ในป่าลึกเป็นต้นถ้าหากว่าสาวกเหล่านั้นนับถือเราเพราะเรื่องอาหารอย่างเดียวหรือเรื่องที่อยู่เรื่องที่อาศัยนะสาวกเลิกรับถือเราไปแล้วพูดภาษาเราเราบอกว่า สาวกแข่งกว่าเราเยอะในเรื่องอาหารในเรื่องที่อยู่อาศัยบางองค์ไปเข้าอยู่ที่ป่าที่เขาลึกขนาดนั้นถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงสาวกไม่นับถือพระพุทธเจ้าหรอกมาเพราะสาวกบางองค์ก็ไม่เคยรับกิจนิมนเลยเนี่ยนะดีเงียบเนี่ยนะฉันอาหารนิดเดียวแล้วก็อยู่บําเพ็ญสมถามวิปัสสนาไปแต่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในวังเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปสวรรค์ละก็คือทํากิจมากมายเป็นต้น นั้นคำที่บอกว่าฉันเสมอขอบปากบาดบ้างฉันเกินบ้างไม่ได้เป็นการแสดงเพื่อให้สัตว์ตรัสรู้ทว่าเป็นคำที่แสดงปฏิปทาสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์เป็นพระอรหันต์แล้วทํากิจจบแล้วผู้ไม่มีกิจอะไรที่จะต้องปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้อะไรอีกต่อไป ซึ่งแม้ไม่ทรงมีตัญหาความอยากในพระกายอาหารแต่ข้าพุทธเ้าำถามว่าพระองค์ไม่อยากในอาหารด้วยตัญหาเลยทำไมจะต้องฉันอะไรมากมายขนาดนั้นเช่นบางทีก็ขอบปากบาดบางทีก็เกินบาดราวก็ว่าเสวยตามตันหาตามใจนะตราบเท่าที่ทรงต้องการแต่จริงๆแล้วไม่พระองค์ไม่ได้ฉันด้วยอำนาจตัญหาอะไรแต่ที่ฉันอย่างนั้นเหตุผลสประการหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่การอนุเคราะห์เวนยสัตทั้งหลาย สองเพื่อประโยชน์ในการยังชนผู้ยังไม่เกิดศรัทธาให้เขามีศรัทธาบางค น, เ, นเชื่อไหมแค่ทานอาหารเขาเขาก็ามีศรัทธาแล้วแค่นี้ถ้าไม่ทานไม่ได้อย่างงี้ยนะถ้าไม่ทานเลิกนับถือเลยก็มีแค่เนี่ยเรื่องเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องไม่เชื่อก็มาบวชแ้วจะรู้เองแหละทำชนผู้เกิดศรัทธาอยู่แล้วให้ตั้งมั่นขึ้นอยู่ได้ชะนี้แหละเนะบางคนเลิกเลิก ใส่บาดก็เพราะว่าก็ไม่เห็นมีใครฉันอาหารเข้าเลยเลื่อกใส่เลยก็มีเนี่ยนะมันก็เรื่องอาหารอาหารนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะเรื่องใหญ่พัการรักษาศรัทธาบางคนเนี่ยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าทำก็คือด้วยการฉันนั่นแหละนั่นแหละรักษาศรัทธาเขาละละ่ะแต่ก็การที่รักษาศรัทธาของรักษาศรัทธาของเขาให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นเป็น พระองค์ทำถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะว่าศรัท ธ, ธาที่เขามีในพระพุทธเจ้าตั้งมั่นอยู่แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมัน่นชนเหล่าใดที่มีศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นก็บรรลุอมตะนิพานเป็นที่สุดอยู่แล้วเนี่ยนะ